เมตสูตรเ ใ, ในคุถกะปาทะอธิบายว่าในเมตสูตรนั้นเพราะเหตุที่ตรักบุญญสัมปทามีทานศีลเป็นต้นด้วยนิธิกันตสูตรเมื่อบุคคลทำเมตตาในศาสตร์ทั้งหลายบุ ญ, ญญสัมปทานั้นย่อมมีผลมากถ้าหากว่าคนทำบุญนะถ้ามีเมตตาแล้วบุญจะมีผลมากขึ้นเหมือนกันจนถึงสามารถให้บรรลุพุทธภูมิได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยกเมตสูตรขึ้นในที่นี้ เพื่อแสดงว่าเมตตาเป็นอุปการะมากแกบุญยสัมปทานนั้นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าครั้นแสดงกรรมาฐานอันสา ม, มารถละราละราคะด้วยอาการสาสองสำหรับชนทั้งหลายผู้นับถือศาสนาด้วยสารณะแล้วตั้งอยู่ในศีลด้วยศิกขาบททั้งหลายสา ม, มารถละโมหะด้วยกุ ม, มารปัญหาจึงแสดงว่าความประพฤติสารณะเป็นต้นนั้นเป็น มงคลและการรักษาตนเองด้วยมงคลแสดงการรักษาผู้อื่นเหมาะแก่มงคล น, นั้นด้วยรัตนาสูตรแสดงการเห็นพูดบางพวกในบรรดาพูดทั้งหลายที่กล่าวไว้ในรัตนาสูตรและความวิบัติของเหล่าชนที่ประมาทในบุญยศสมบัติที่กล่าวแล้วในติโรกุทธสูตรและแสดงสมบัติอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิบัติที่กล่าวไวในติโรกุทธสูตรด้วยนิทิกันทสูรแต่ยังไม่ได แสดงกรรมฐานที่สามารถละโทสะฉะนั้นเพื่อแสดงกรรมฐานอันสามารถละโทสะนั้นข้าพเจ้าจึงยกเมตสูตรนี้ขึ้นตั้งในที่นี้เนี่ยนะเรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยในเมตสูตรว่าเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายถูกเทวดาทั้งหลายรบกวนเนี่ยนะที่ข้างภูเขาหิ ม, มาพานก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเมตสูตรนั้นเพื่อป้องกันและเพื่อเป็นกรรมฐานสําหรับพิสูจน์เหล่านั้นส่วนเรื่องพิสดามีอยู่ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยนะใกล้ดีทีเข้าจำพรรษาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพิสูจนทั้งหลายจากชาวเมืองต่างๆจํ า, าจนวนมากรับกรรมฐานในสํานักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประสงค์จะเข้าพรรษา นะเข้าวจำพรรษาในที่นั้นนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ยินว่าในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกรรมฐานทั้งหลายที่อนุกูลแก่จริต จ, จํานวน8400 0ืประเภทจริตของสัตว์นี่มหาศาลนะ น, นะโดยในญ่านนี้คืออสุภกรรมฐาน11อย่างคืออสุภะที่มีวิญญาณ น, น, นะก็อาการ32มสนะิอนะอสุภะที่ไม่มีวิญญาณก็พวกป่าช้าทั้งหลายซากศพทั้งหลายสําหรับคนราคะจริต กรรมฐานมีเมตตากรรมฐานเป็นต้นสี่อย่างสำหรับคนโทสะจริตกรรมฐานมีมรณสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนโมหจริตเนี่ยนะกรรมฐานมีอนาปานสติและปฐวีกษินเป็นต้นสำหรับคนวิตกจริตกรรมฐานมีผู้ทานุสติกรรมฐานเป็นต้นสำหรับคนศรัทธาจริตกรรมฐานมีจตุธาตุวววฐานคือการกำหนดทาสเป็นต้นเนี่ยนะสำหรับผู้ที่จริต ทีนี้ลำดับนั้นแลพิโุประมาณห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังสแสวงหาเสนาสนะเป็นที่ส ป, ปายะเล็กโคจรคำเดินไปตามลำดับก็ได้พบภูเขาพื้นศิลาคล้ายมณีสีขาประดับด้วยราวป่าสีเขียวมีร่มเงาทึบเย็นมีภูมิภาคเลือนกลนไปด้วยทรายเหมือนแผ่นเงินขายมุกดาล้อมด้วยชลาลายนยะคือ น้ำอนะที่สะอาดเย็นดีติดพืชเดียวกับป่าหิมะวันในปัจจันต์ตประเทศพิสูุนเหล่านั้นพักอยู่คืนหนึ่งณที่นั้นเมื่อราตรีรุ่งสว่างทําสรีระกิจแล้วก็พากันเข้าไปบินธบัตยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้ใกล้นั่นเองในหมู่บ้านประกอบด้วยตระกูลหนึ่งพันตระกูลนั่นแหลหมู่บ้านหนึ่พันหลังคาเรือนอ่ะนะซึ่งอาศัยอยู่กันหนาะแน่นในหมู่บ้านนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็มีศรัทธาภาษาธะ พวกเขาเห็นพิสูจทั้งหลายเท่านั้นก็เกิดปีติโสมานะเพราะการเห็นบนรรปชิตในปัจจัตตชนบทหาได้ยากนัะ น, นะแถบถินที่ธุระกันดาลที่ไกลๆเนี่ยหาพระพิสูจนได้ยากก็เลยนิมนต์พิสูจเหล่านั้นให้ฉันแล้วก็วอนขอว่าท่านเจ้าข้าขอท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไตรมาสเธอแล้วก็ช่วยกันสร้างกุฏิสําหรับทําความเพียรเนี่ยนะห้าร้อยหลังจะแจงเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างมีเตียงตัง ม้อน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นณนที่นั้นในวันรุ่งขึ้นพิสูจทั้งหลายก็เข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านตำบลอื่นในหมู่บ้านแม้นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็บำรุงอย่างนั้นเหมือนกันอ้อนวอนขอให้อยู่จำพรรษาพิสูจนทั้งหลายรับนิมนต์โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไม่มีอันตรายจึงพากันจาพรรษาเนี่ยนะก็พากันเข้าไปยังราวป่านั้น เป็นผู้ปรารบความเพียรตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตีะระฆังบอกยาเวลานี้เวลาเท่าไหร่นะก็มีคนดูดาวเป็นนะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาก็ดูดาวเอาก็ตีะระฆังตามดวงดาวเหมือนกนพิสุเหล่านั้นก็เป็นผู้มากไปด้วยโยนิโสมนสิการอยู่จึงเข้าไปนั่งณที่โคนไม้นะั่งที่โคนไม้เจริญกรรมฐ า, านอย่างเดียว รุเขเทวดาทั้งหลายถูกเดชของเหล่าพิสู้มีศีลกำจัดเดชเสียแล้วก็ลงจากวิมานของตนของตนพาพวกลูกๆเที่ยวระหกระเหินไปเปรียบเหมือนพระราชาหรือราชามหาอมาตย์ไปยังที่อยู่ของชาวบ้านยึดโอกาสที่ว่างในเรือนทั้งหลายของพวกชาวบ้านพวกชาวบ้านก็ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นแบงนั้นเถอะก็ได้แต่แล้นะก็ได้แต่มองดูไกลๆด้วยหวังใจว่าเมื่อไรเนอ นะท่านจึงจกไปกั น, น, นฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ต้องละทิ้งวิมานของตนของตนกระเจดิดกระเจิงไปก็ได้แต่ ม, มองดูไกลๆด้วยหวังใจอยู่ว่าเมื่อไรเนะท่านจะได้ไปกั น, น, นก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันแต่นั้นเทวดาทั้งหลายก็ร่วมคิดกันว่านะเทวดาปรึกษาแล้วทุกร้อนแล้วพิษูทั้งหลายเข้าพรรษาแรกแล้ว จักอยู่กันตลอดสามเดือนแน่แต่พวกเราไม่อาจจะพาพวกเด็กอยู่อย่างระหกระเหินได้นานๆเอาเถิดพวกเราจัดแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวแก่พิสูจนทั้งหลายเทวดาเหล่านั้นจึงเนรมิตรรูปยักษ์ที่น่ากลัวยืนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเวลาพิสูจนทั้งหลายทําสมณธรรมตอนกลางคืนว่างั้นเถะนะเวลาเดินจงกรมก็เห็นแต่ยักษ์นั่นแหละทําเสียงที่น่าหวาดกลัวก็ เ, เห็นรูปเหล่านั้นและได้ยินเสียงนั้นหัวใจของพิสูุนทั้งหลายก็กัดแกงออกฟุ้งฟ่านว่างั้น พิสูจนเหล่านั้นมีผิวเนี่ยเผื่อยและเกิดเป็นโรคผอมเหลืองเหมือนกันกลัวเหมือนกันเหมื้นกันยเหตุนั้นพิสูจนเหล่านั้นจึงไม่อาจทําจิตให้มีอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตไม่มีอารมณ์เดียวสลดใจบ่อยๆเพราะความกลัวเหมือนนสติของพิสูจน์เหล่านั้นก็หลงเลือนไปและลึอกอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ได้แต่นั้นอารมณ์ที่เม้นเม้นทก็ประจวบแก่พิสูจนเหล่านั้นซึ่งมีสติหลงลืมแล้วมันสมองของพิสูจเหล่านั้นก็เหมือนถูกกลิ่นเหม้น เ, นเนี่ยบีบคั้น โรคปวดศีรษะก็เกิดอย่างหนักพิสูจน์เหล่านั้นก็ไม่ยอมบอกเรื่องนั้นแก่กันและกันเลยนะอยู่ด้วยความทุกข์ร้อนตลอดเลยนะผีหลอกลงันต่อมาวันหนึ่งเมื่อพวกพิสูจ์ทุกรูปประชุมกันในเวลาบำรุงพระสังฆเถร ะ, ระพระสังฆเถระก็ถามว่าผู้มีอายุเมื่อพวกท่านเข้าไปในราวป่านี้ ผิวพันดูบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเลือเกินอยู่สองสามวันทั้งอินทรีย์ก็ผ่องใสแต่บัดนี้ในที่นี้พวกท่านสูพพ้ผอมผิวเผือดเป็นโรคผอมเหลืองในที่นี้พวกเธอไม่สัปายะหรือภิกษุลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านขอรับตอนกลางคืนกระผมเห็นและได้ยินอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างนี้อย่างนี้สู้แต่กลิ่นเช่นนี้ ด้วยเหตุนั้นจิตของกระผมจึงไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิวังนั้นเสียงก็น่าสยดสยงกลิ่นก็เน่าเหม็นอย่างนี้นะพิสูจน์เหล่านั้นทุกรูปก็พากันบอกเรื่องนั้นโดยอุบายนั้นเหมือนกันพระสังฆเถระก็กล่าวว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติการเข้าจำพรรษาเอาไว้สองอย่าง ก็ในเสนาสนะนี้ไม่เป็นส ป, ปายะแก่พวกเรามาเถิดผู้มีอายุพวกเราจะพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามถึงเสนาสนะที่เป็นส ป, ปายะอื่นๆพิสูจนเหล่านั้นรับคำของพระเถรว่าดีและคอรับทุกรูปก็เก็บงำเสนาสนะถือบาจีวรไม่บอกกล่าวใครๆในตระกูลทั้งหลายพากันจาริกไปทางกรุงสาวัตถีก็ถึงกรุงสาวัตถีตามลาดับแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพิสูจนเหล่านั้นจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาเหตุไรพวกเธอจึงยังจาริกกันอยู่เหล่าพิสูจเหล่านั้นจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแดพพพ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึกก็ไม่ทรงเห็นเสนาสนะเป็นที่สัปปายะสําหรับภิสูุเหล่านั้นทั่วชมพูทวีปโดยที่สุดแม้แต่เพียง ตังเนี่ยนะมีสีเท้าดังนั้นจึงตรัสบอกพิสูน์เหล่านั้นว่าลูกันรพิสูน์ทั้งหลายเสนาสนะที่เป็นสัพายะนะที่อื่นสำหรับพวกเธอไม่มีดอกพวกเธออยู่ในที่นั้นแหละจากบรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะไปเธอดพิสูน์ทั้งหลายพวกเธอเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั่นแหละอยู่กันเถิดแต่ถ้าว่าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดาทั้งหลาย ก็จงพาการเรียนพระปริตนี้ด้วยว่าพระปริสนี้จักเป็นเครื่องป้องกันและจักเป็นกรรมฐานสําหรับพวกเธอเนี่ยนะอาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดํารันนี้ว่าไปเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั่นแหละอยู่กันเถิดแล้วก็ตรัสต่อไปว่าอันหนึ่งเล่าภิกษุผู้อยู่ป่าควรรู้จักบริหารถามว่าบริหารอย่างไรบริหารอย่างนี้คือ แผ่เมตตาสองเวลาคือเจริญเมตตาในเวลาเช้าและเวลาเย็นรำพัะปริตสองเวลาเนี่ยนะเจริญอสุภะสองเวลาเจริญมรณสติสองเวลานึกถึงมหาสังเวกวัตถุนะวัตถุเป็นที่สลดสังเวทใจเนี่ยใหญ่สองเวลาคืออะไรคือชาติชราพยาธิมรณะแล้วก็อบายยทุกข์ทั้งสี่นี่ชื่อว่ามหาสังเวกวาวัตถุให้นึกถึงความเกิดความแก่ความตายแล้วก็ นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่บยบ่อยๆนะให้นึกถึงอย่างน้อยวันละสองครั้งนั่นแหละอีกในหนึ่งชาติชราพยาธิมรณะสี่อบายทุกข์เป็นที่ห้าทุกมีวัตตะเป็นมูลในอดีตทุกมีวัตตะเป็นมูลในอนาคตทุกขมีการสแสวงหาอาหารเป็นมูลในปัจจุบันเนี่ยนะเรียกว่ามหาสังเวกะวาทุพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงบอกการบริหารอย่างนี้แล้วจึงได้ตรัสพระสูตรนี้เพื่อเป็นเมตตาเนี่ยนะ และเพื่อเป็นปริศคือเครื่องป้องกันและเพื่อฌานอันเป็นบาทแห่งวิปั ส, สนาแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งได้ตรัสว่านะกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาจะตรัสรู้สันตบทเพิงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นเพิงเป็นผู้อาถรรพเป็นผู้ตรงเสื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิง สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบระงับมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขะนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เราอื่นติเ ต, ตียนได้พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุข มีความเกษมมีตนถึงความสุขเทิดเหมือนกันนะสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุง้งหรือเป็นผู้มั่นคงเนี่ยนะพร้อมหรือพีเนี่ยนะสัตว์เหล่าใดที่มีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นเนี่ยนะที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงคมคู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหน ไ, หนไม่พึงปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเคียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใด กุลบดผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นกุลบดนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบดผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดี พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเงาวเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบันดิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในธรรมวิันของพระริยเจ้านี้กุลบดผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนคือโสดาปติมักกำจัดความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วด้วยอนาคามิมักย่อมไม่ถึงความนอนในคัน อีกโดยแท้แลอันนี้ก็เป็นข้อความในเมตสูตร